ความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประปุธิยานได้นำเสนอเรื่องความเพียนพยายามเพื่อการสัสรูของพระปธิสัตว์มาโดยลำดับก็มาถึงช่วงที่ทรงพระจนพยามานแล้วก็ทรงประสบใจชนะ ข้อความตอนนี้ถ้าเราเชื่อมโยงกับการปฏิบัติในช่วงแรกก็รับสั่งเล่าแก่ท่านโพธิราชกุมารซึ่งเป็นพระจุรถของพระเจ้าพิมพิสารเป็นข้อความโดยสรุปว่าครั้งเรากลืนกินอาหารหยาบํากายมีกำลังได้แล้ว เพราะสงัดจากรามและอุปสนธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจาร์มีปิติแลสุขมันเกิดแต่วิเวกแล้วและอยู่พระสงบวิจาร์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องพ่องใสภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติเลสุขมันเกิดแต่สมาธิแล้วและอยู่เพราะความจางไปแห่งปิติ จ่อมอยู่เบกามีสติสมัมปญญา ส, สุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่ด้วยอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่แล้วเพราะสุขเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์โปรเบขาแล้วเลวยุบก็เป็นปริยายในการอธิบายปฐมชาญซึ่งกรณีท่านสัจจชนสามารถจับหลักได้อย่างหนึ่งว่าธรรมเทศนาที่ส่งแสดงนั้นมันจะมีแนวหลักอยู่สองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่า น, นิปริยาย คือหมายความว่าจะรับสั่งอย่างไรก็ลงตัวอย่างนั้นทุกที แ, แต่ปีดกทั้ง45เล่มนั้นข้อความใช้เหมือนกันไม่ว่าเราจะเจอที่ไหนเช่นสมมติว่าเราจำหลักของอริยสัจสี่ในธรรมจักรกัปตนาสูตรเอาไว้ไว้ดังลุคขังอริยสจังยาติปีดุขาจะราปีดุขามานาปีดุขัาาขงเป็นต้นเนี่ย และทั้ง4เล่มครับข้อความจะลงกันทุกตัวอักษรก็เรียกว่าลงกันโดยอัฐะคือเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาที่สื่อสารอีกแนวหนึ่งเป็นปริยายเทศนาคือส่งแสดงไว้โดยนิยัดหนึ่งในยะหนึ่งเป็นรูปของอนุโลมเทศนาเคยคล้อยตามพื้นเพจจดิตอติยาศัยของผู้ฟัง าการแสดงตามสถานะแสดงโทษแสดงคุณแสดงทางออกจากโทษให้ดูเจตมดว่าทรง เ, เสด็จไปในที่หนึ่งคนก็มีปัญหาอยู่ในท้องถิ่นสมนั้นเพราะว่าเสพสิ่งเสพติดกับชอบเล่นการพ น, นันตรงนั้นถ้าแก้ปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดกับการพนันได้เนี่ย จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางครอบครัวผร้เจ้าก็จะทรงแสดงอบายามุขแค่สองข้อเทนะ่านั้นคือการเลิดการพนันกับการติดสิ่งเสพติดปีแข่งหนึ่งอะไรอุดมสมบูรณ์พร้อมหมดทุกอย่างน้ำก็ดีดินก็ดีการคามนาคมก็ดี แต่ว่าคนไม่ขยันไม่ฉลาดเพราะในที่นั้นอบายมุของเขาก็คือความไม่ขยันพระเจ้าก็จะทรงแสดงเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งเพราะนั้นธรรมะส่วนใหญ่จะมีแนวนี้จะมากแต่ที่นี้ปริยายที่ทรงอธิบายเนี่ยอธิบายพวกสมาธิก็ดีพวก ฌานก็ดีรูปประชานนะรูปประชานหรือรูปพวกยานทั้งหลายเนี่ยกลหลดถึงอริยสัจสี่ใจลักนิพพานอนะนัตตาอะไรต่อไหนนิพพานอย่างแตกต่างโดยพยัญชนะนะฮะแต่เหมือนกันโดยอัตถะธรรมะเหล่านี้จะแสดงในรูปของนิ ป, ปรยายคือลงตัวอย่างนั้นทุกที ถ้าเตัเต้งปัญหาถามว่าพระพุทธเจ้าศัสตะรูอะไรก็ตอบว่าสัจจรู้ไอเดียสัต ส, สีแต่ว่าในพุทธประวัติที่เล่าเนี่ยคือเล่าถึงการบรรลุพระญาณสามก่อนก็ที่จริงในความเป็นพระญาณสามนั่นแหละมันก็เป็นรู้อริยสัต ส, สีอยู่ด้วยในตัวนั่นเองเพียงแต่จะอธิบายโดยมุมไหนล่ะมันก็คล้ายๆกับจะพูดเรื่องประสูติบัต จะแสดงคุณลักษณะของมโสดุบันหรือแม้แต่พูดถึงเราในเราในขณะที่เรารับประทานอาหารอิ่มเราจะพูดว่าเราหายหิวหรือเราอิ่มอาหารหรือว่ารับประทานเสร็จแล้วหรือว่ามีกำลังเป็นปกติหรือว่า ขาจัดเหตุของความหิวหมดแล้วเราจะซื้อด้วยประโยคอะไรก็ตามแต่แสดงว่าเราในขณะนั้นขาจัดความหิวแล้วไม่มีความหิวแล้วมีแต่ความอิ่มกินอาหารเสร็จแล้วแต่เวลาซื้อในสื่ อ, อยังไงก็ได้ก็ยังอื่นคนต้องจินตนาการเอาต้องนึกเอาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ ทีนี้พอเราพูดถึงมระโสดาบันมันก็เหมือนกับพูดเรื่องพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราจะมองจากมุมไหนล่ะก็จะเห็นอีกหลายๆายมุมอย่างเราพูดถึงมระโสดาบันว่ามระโสดาบันนั้นมีศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็ได้นี่ก็พูดในสายของสายสิกขาแต่เราจะพูดเชื้อใหม่ พุเนสายเรียมากว่าพระโสดาบันนั้นทำสัมมากรรมตะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะให้สมบูรณ์สัมมาวิมภาษิสติสมาสมาธิพอประมาณและสมาธิติสมาสังกปะนั้นก็ทําได้พอประมาณหรือจะสื่อไม่บอกว่าพระโสดาบันนั้นสมบูรณ์ด้วยศรัทธาในพระตนตรัยและในใจสิกขา หรือจะพูดว่าท่านมีความเห็นที่สมบูรณ์สามารถขจัดอัตตาตัวตนออกไปจากความรู้สึกนึกคิดของท่านได้เพราะว่ากระจัดสกายทิธิหรือเราจะพูดอีกมุมหนึ่งเป็นการปฏิเสธคือพูดถึงความมีก็ได้พูดถึงความไม่มีก็ได้ว่าประโสะดาบานนั้นไม่มีสังโยชน์สามประการเบืนน้องต้นพูดในแนวปฏิเสธ เรพูดในแนวศรัทธาเราก็พูดแนวยืนยันในความมีอยู่พูดในแนวศีลสมาธิปัญญาก็พูดยืนยันพูดแนวปัญญาก็พูดยืนยันแต่พูดแนวรัชยโยก็พูดแนวปฏิเสธหรืออาจจะพูดถึงผลก็ได้ว่าปะโสะดบบาบันนั้นปิดประตูจะตุระบายได้แล้วตลอดชีวิตท่านนั้นจะไม่ทํากรรมที่เป็นเหตุถกนรก ผลเราก็เห็นชัดเจนว่าสีห้าของพระโสดาบันในสมบูรณ์เพราะศีห้าคือปากทางแห่งนรกอันนี้คือเขาเรียกว่าปริยายเราจะสื่อสารยังไงก็ได้ที่จริงก็ข้อความมันก็เท่ากันเราจะทําทําให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งไปได้ด้วยแต่ว่าแนวของนิปริยายเนี่ยความมันจะซ้ำกันจะเหมือนกัน แล้อย่าลืมนะฮะว่าตรงเนี้ที่จริงมันมีข้ออื่นด้วยเพียงแต่ ว, ว่าการสื่อสารมันก็ต้องพูดอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งไปตามลหดับกันนั้นเองในสถานการณ์เดียวกันนะฮะสมมติว่าสมมติว่าอย่างงี้นะสมมติเราอยู่ในสถานที่หนึ่งมีเกิดระเบิดบุ้มขึ้นมาเนี่ยเวลาเราจะบรรยายมันก็บรรยายทีละอย่างทีละตอนทีละด้านทีละมุม เดีถามให้ตัวนั้นเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยเราก็เอาไม่ทันเรอะนะฮะมันไม่รู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังแล้วมันต่อนเนื่องกันแต่เวลาอธิบายเราก็ทําได้ทีละเรื่องแต่นั่นเองมันไม่เหมือนระเบิดระเบิดมันพร้อมกันได้อ่ะแต่เราอาธิบายเนี่ยคำพูดเราเนี่ยมันกินเวลาหรือเราจะเขียนหนังสือตัวตัวสอักมันก็กินพื้นที่แล้ก็กินเวลาด้วยคือไม่มีใครสามารถจะทําให้ เกิดขึ้นพร้อมกันได้แต่ถ้าอย่างอื่นมาก็ทําได้นะเช่นสมมุติว่าเป็นกระบวนการของ เ, ออเทคโนโลยีเช่นสมมติเราเปิดสวิตช์ไฟปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ากระแสะไฟก็เดินปั๊บไปทันทีเหมือนกันความสว่างก็เกิดปุ๊บทันทีเหมือนกันความมืดก็หายไปทันทีสิ่งทั้งหลายในที่นั้นก็ปรากฏทันทีมันมีความต่อเนื่องกันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าองค์ประกอบของ ไฟเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเรา ท, ทําทีเดียวก็มีความต่อเนื่องกันแต่ว่าการจะบรรยาย <c oughs> การจะอธิบาย <c oughs> การจะชี้แจงนะี่ยยังไงมันกินเวลาและมันกินพื้นที่จะทํายังไงก็ตามนอะ่ะคือจะให้เห็นพร้อมกันไม่ได้แต่คนจะต้องมองนะฮะว่าเมื่อจิตเป็นอย่างนี้จิตต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยถึงสมมติว่าคนเนี้ยละราคะได้ ก็แสดงมาโลภ ก, ก็ละได้โทสะ ก, ก็ละได้โมหะก็ละได้เพราะว่ากิเลสเขาขึ้นลงด้วยกันขึ้นก็ขึ้นโดยกันลงก็ลงด้วยกันว่าคนนี้รักคนนี้แสดงว่าเขาไม่เกลียดคนนี้ด้วยเพราะในขณะรักมาต้องไม่เกลียดในขณะเกลียดก็ต้องไม่รักแล้วถ้าบอกว่ารักมากแสดงว่าไปเชื่อมโยงถึงคนอื่นแล้ว ถึงพ่อแม่ของเพื่อนถึงญาติของเพื่อนถึงลุงป้าหน้าอาปู่ญาตายายของเพื่อนไปได้เลยทีนี้แนวของบุเพนิวาสารติยานคือจะอยากจะยกข้อความในพระบาลีแต่คงไม่เอาเต็มที่นะเพราะว่าข้อความเนี่ยแปลกที่ว่าเหมือนกันทุกแข่งเป็นรับสั่งที่องค์อาจกล้าหาญมาก ไม่ครันคร้ามขามเกรงกว่าใครจะคัดค้ า, า, าในใครจะโต้เถียงใครจะไม่เห็นด้วยมันเหมือนการยืนยันว่าน้ําตาลหวานยืนยันว่าเกลือเค็มยืนยันว่าฟไฟร้อนยืนยันว่าพริกเผ็ดเนี่ยคือยืนยันด้วยความบอกาดข้าหางใครเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาแต่ความจริงคือความจริงแน่นอนว่าการแสดงตรงนี้ตามปกติแล้วนี่ไม่เป็นการแสดงธรรมะขึ้นไปโดยลําดับ ปิจ ใ, ใจของคนก็สามารถสัมผัสได้โดยตัวเองได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งหรือบางทีก็สัมผัสได้สมบูรณ์มันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเวลาพูดกับคนในยุคนั้นพอข้อความเหล่านี้มาพูดกับคนในยุคสมัยนี้ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็มีการซักถามกันแล้วถามกันอีกตายแล้วเกิดไหมในรลกสวรรค์ มีจริงหมายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอะไรแต่ไรเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้คนถามปัญหาเลยขอสักยี่สิบคำถามทนนั้นเองแล้วจะเจอคำถามในลักษณะนี้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้จะมีคำถามอย่างนี้ท้งนั้นแล้วก็ทั่วประเทศไทยแต่มาก็เคยไปเดินสายบรรยายธรรมะที่สหรัฐอเมริกาหลายปีมาแล้วนะพศ .2433 เราบรรยายเสร็จแล้วจะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาปรา ก, ก็ไปอ่านเทปมาร่วมร้อยมว้วนนะั่นนะแล้วก็ทุกแห่งมีคำถามในลักษณะนี้แต่ขนาดว่าคนที่ถามเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นผู้ใหญ่ดูแล้วไม่น่าถามหรอกแต่ก็ถามปาญหาตอวนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความองอาจกล้าหาญ ไม่แสดงอาการลังเลอะไรเลยเกลียกบรรลือดุจราชสีคำรามในป่าใหญ่คือไม่วันเกรงต่อสับสับประสัตรต่างหลายในป่านเราแต่ปัญหาสําคัญเนี่ยว่าสภาพประไทยสภาพจิตหรือสภาพประเทศไท ย, ยของพระเจ้าเราพูดสภาพประไทยของคนดูไปเราก็พูดถึงสภา พ, พจิตเนี่ยก่อนจะถึงตรงนั้นมันต้องเป็นตรงนี้เสียก่อน ก็คล้ายๆกับก่อนที่เราจะได้เป็นญาตรีเนี่ยเราต้องผ่านมัธยมศึกษาบริบูรณ์ไปก่อนจึงจะขึ้นปัญญาตรีได้วัรสภาพจิตตรงนี้สภาพจิตที่มันผ่านชาญมาเนี่ยในขณะนั้นก็มีเฉพาะอุเบกขากับเอกกตาคือสมาธิอุเบกขานั้นเป็นลักษณะของปัญญาคือเพ่ง สมาธิคือสงบนิ่งคล้ายๆกับเราสนเข็มเราทำอะไรที่มันละเอียดอ่อนอย่าเราสนเข็มสมมติว่าได้ที่จะสนเข็มมันแปลงสนไม่ได้ลนะูกมือที่ถือเข็มมันสัน่นมันก็สนไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าสงบนิ่งแล้วก็เย็นไม่มีอะไรทำให้วอกแวกสับสน ก็รับสั่งเล่าถึงสภาพพระไทยของพระองค์ในขณะนั้นว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติออนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่แล้วเช่นนี้แล้วพิจิตไม่หวั่นไหวด้วยอเวขากละเอกาตาคืออย่าลืมมาแยกมาตรงนี้ออตอนที่บรรลุรูปฌานนะ แต่ที่จริงก็พิจารณาพิจารณาวิปัสนาไปได้เลยแต่น้อมจิตไปเฉพาะต่อบบุพเพในวาสารติยานคือการจริงจริงก็เรียกว่าการระลึกปรีชายานระลึกตามระลึกถึงชาติถึงที่อยู่ในการก่อนพูดง่ายๆว่าระลึกชาติได้ได้รับสั่งว่าเรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในพกปอน คำว่าขันในที่นี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาตังกาบิญญานะอะไรเป็นตัวอาศัยก็คือจิตเป็นตัวอาศัยจิตเป็นตัวอาศัยร่างจะต้องจับประเด็นนะฮะนี่เป็นภาษาแบบสมมตินะไม่ใช่ภาษาแบบปรรมด้วยเดี๋ยวจิตจะเที่ยงอีกยุ่งอีกคือภาษาสมมตินะฮะภาษาสมมติก็พูดอย่างเนี้เราจะพูดเป็ภาษาชาวบ้านภาษาชาบ้านภาษาธรรมดา คำว่าเราในที่นี้หมายถึงเราซึ่งสมมติขึ้นเป็นองค์ประกอบร่วมระหว่างกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณก็ใช้คำว่าเป็นขันนะฮะขันนี่เราเราจะเห็นว่าตัววิญญาณนะขันนั่นเองแล้วก็อาศัยรูปซึ่งเป็นส่วนผสมของสเปิร์มกับโอว่าแล้วก็เมื่อ รวมตัวกันได้ก็กลายเป็นต่อมาก็กลายเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารท้าทายว่าเรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในพบก่อนได้หลายประการคือลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างก่อนหน้าไปเรื่อยๆอย่างเนี้แล้วก็จนไม่รู้ว่านับยังไงหลายสังวัตกัรและวิวัตกัร บ, บ้าง ว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีพุจธอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสุขทุกอย่างนั้นมีอายุสุดลงตรงนั้นครั้นจุติจะพบนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อวันณะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้สวยสุกทุกอย่างนั้นแล้วก็มีอายุสุดลงอย่างนั้นก็ก็ว่าไปเรื่อยนะมันก็คล้ายๆกับที่ทรงแสดงในเรื่องพระเวสสันดรชาน เวชนดอนชาดกคือพวกทศชาติเนี่ยจะแสดงค่อนข้างพิสดารแล้วก็ให้รายละเอียดเยอะส่วนในภระชาติเดืดเนี่ยจะไม่ค่อยเล่ารายละเอียดพิสดารเพราะว่าเป็นเครื่องมือประกอบในการเทศในการสอนที่เหมาะควรกับผู้ฟังในกลุ่มนั้นๆในขณะนั้นๆ ใ, ในข้อนี้จะเห็นได้ว่าการระลึกมันก็เหมือนกระแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นมันก็เดินทาง แต่เราจะดูง่ายๆนะฮะเราก็จุดเทียนทีละดวงเราจะเห็นว่าแสงมันก็เดินทางไปเรื่อยๆขาจัดความมืดไปเรื่อยๆปริมาณแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระไทยของพระองค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพ อ, พอถึงตอนสุดท้ายจะรับสั่งว่าราชกุมานี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแข่งรตรี วิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเพีเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควรนี่ก็เป็นเป็นการแสดงโดยอุปมาให้เห็นว่าผลรวมของอรรยมรรคเนี่ย คนทั้งหลายคงนึกถึงธรรมจักรได้ธรรมจักรกัตถนสูตรที่มีข้อความมากัตมาจะทราภิกเวมัติมาปฏิบาดาตถาคตีนะอภิสัมบุตธธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะาภิญญาญาสมบู ธ, ธายานิปานาญาสังวร ต, ติคืออริมักในองค์แปดประการเมื่อเขาสมบูรณ์ผนึกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่ามัคสาบังคี มันก็มียานคือตัวแสงสว่างเนี่เกิดผุดขึ้นมันก็ไปทําลายตัวความมืดก็คืออวิชชาอาวิชชาก็ดับนั้นเหมืออะไรเมืองก็แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับแสงสว่างเกิดก่อนนะฮะความมืดก็หายไปแต่ว่าดูแล้วไม่ก่อนไม่หลังกันเพราะในแสงสว่างกับความมืดนั้นเป็นตัวอุปมาเทียบเคียงตัวจริงนี่คืออวิชอวิชชาเกิดแล้วอวิชชาดับ นั้นคือตัวจริงภายในประทไทยของพระองค์แต่ว่าการสื่อสารภาษาธรรมนั้นที่จรงิงค่อนข้างสื่อสารยากเพราะธรรมะไปมีความเป็นนามธรรมเวลาสื่อสารก็จะต้องอาศัยรูปธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มองเห็นเหตุผลในเรื่องเหล่านั้นว่ารู้รายละเอียดทั้งหมด อายุสกุลรูปร่างฐานะอาชีพการศึกษาอายุเท่าไหร่ตายตายที่ไหนตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายอย่างไรจะอธิบายได้โดยละเอียดพิสดารแต่นี้เป็นอธิบายโครงสร้างของอยานหรือไม่ใช่อธิบายรายละเอียดของฉดกาดกนั่นแปลว่าเรื่องที่เกิดเกิดขึ้นแล้วแต่ยันว่าที่ทรงนํามาแสดงก็แสดงทั้งเรื่องของโปร่งเองแล้วก็เรื่องของบุงคคลอื่น แต่แสดงในฐานะเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาและเรียนคนฟังในสมัยนั้นเขามีพื้นฐานความเชื่อในองค์พระพุทธเจ้าและความเชื่อในสังสารวัฏเนี่ยเขามีอยู่ก่อนความเชื่อในเรื่องกฎของกรรมละส่วนมากจะหนักไปทางกรรมเก่านะเขาก็มีอยู่ก่อนในสังคมอรารยธร ดังนั้นเวลาทรงแสดงเนี่ยมันไม่ใช่นิ่งนแสดงจะต้องปรับอัธยาศัยพื้นฐานด้านจิตใจของบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาก่อนจนเขาพร้อมที่จะทําความเข้าใจเรียนรู้ในเรื่องเดียดนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสแสดงทรงสแสดงเขาก็เกิดสถาปราทเกิดความเชื่อความเลืกอมใส เกิดชันทะอุตสาหะที่จะสัมผัสสภาพพระไท่สภาพญาณสภาพจิตสภาพสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสผลงานเหล่านั้นก็โดยเสด็จรอ ย, อยุคนบาทพระองค์เรื่องเหล่านี้เลยกลายเป็นการศึกษาโดยมีตัวตนของบุคคลคือทําไม่ดูนะเหมือนก็เดินให้ดูการศาึกษาก็ศึกษาแบบ เดินไปตามบนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วทำประสบความสําเร็จมาแล้วเราก็เดินตามไปเราก็ประสบความสําเร็จด้วยนิเทศแห่งบุเพนวาสานุตยานจะทรงอธิบายในลักษณะนี้ตลอดแต่ข้อความจะเหมือนกันเราจะไปอ่านในที่อื่นเราจะไปเจอในเรื่องวิชาแปดจะเจอในอภินญาหกจะเจอในวิชาสามจะเจอในอะไรก็ตามนะ อธิบายการระลึกชาติได้ก็จะใช้คําอย่างเนี้ยก็ความเป็นอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะระลึกชาติได้สภาพพระไทยมีความสําคัญเพราะจะนึงจึงทรงขึ้นด้วยคําว่าเหล่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสกระจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วหมายความว่าจิตที่มีด้วยเวียคาเลกัสคาเนี่ยมันไม่ไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เพราะนั้นก็น้อมพระไถยไปกรรมนิยะคือใช้งานได้เดี๋ยวควรแก่การงานลองฟังยากหน่อยนะเคองแกการงานคือจิตมันใช้ใช้น้อมไปในะที่ต่างได้ใกล้ใกลกับว่า น้ำที่เราสูบมาเข้าไปในสายยางแล้วเนี่ยใช้งานได้เบี่ยงไปนั้นเบี่ยงไปนี้เบี่ยงไปนอนกับตามได้หรือใช้งานได้เรื่องวิทยวาวะของเราที่ไม่พิกลพิการเนี่ยมันควรแก่การงานทํางานได้แล้วฝึกกลืออบรมมามันก็จะมีมีความจานิจจำนานก็ไปได้เร็วๆซึ่งฟังทั้งหลายแต่หลวงพระธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบูชาในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี